ในเรื่องของปริญญาทั้ง3ประการนะครับที่กล่าวถึงยาตะปริญญารู้ภูตรูปและก็ภาษาทรูปที่เรียกว่านามนะครับตอนจะต้องเรียนรู้ว่าภาษานะครท่านนามก็มีภาษาเวทนาสัญญาเจตนาจิตเนี่ยนะก็ต้องเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างที่กล่าวไปนี่นะครับแล้วก็เรื่องนามก็เหมือนกันนะครับ จะต้องรู้โดยลักษณะรสะปะจุปฐานปทฐานแล้วก็รู้ปัจจัยมีกรรมและอวิชชาเป็นต้นนะครับแต่ว่าหลักๆในการพิจารณานะครับเท่าที่สังเกตดูนะให้จับทวารไว้เป็นหลักก็ได้เพราะว่าภาษายตนาพระองค์แสดงเยอะนะภาษายตนาเป็นชื่อของตาหูจมูกลิ้นกายใจนะหรือสลายยตนาหรือว่าอายัยตนาทั้ง6นะถ้าจับที่ตาจากขู่ภาษาท่านแล้ววิจัยสิ่งรอบตาเนี่ยนะ ว่าตามีอะไรเป็นอารมณ์เป็นต้นนะมีวิสัยอะไรอะไรแลหูจับทวารทั้ง6เป็นหลักนะก็เรียนธรรมะก็เบาไปเยอะเหมือนกันนะครับก็ไม่หนักนักหรอก น, น, นะแล้วก็ส่งเคราะตาหูจมูกเล่นกายใจเป็นขันธ์ธาตุยตนะไปเนี่ยนะก็เบาไปเยอะแล้วนะครับแต่ส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือผมอยากให้ทรงจําพระสูตรที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะเวลาพิจารณาก็ให้พิจารณาตามพระสูตรนะครับอย่าไปรังเกียจการทรงจําเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับ ผมจะถามว่าผู้ที่ปฏิบัติที่สุดในโลกเนี่ยคือใครนักปฏิบัติจริงๆก็พระพุทธเจ้าแล้วคำสอนที่ว่าด้วยปฏิบัติที่สุดใครก็พระพุทธเจ้าก็คาเหล่านี้ก็คำสอนที่เป็นไปเพื่อการปฏิบัติจึงไม่ควรรังเกียจที่จะทรงจาแล้วก็มาใคร่ควรพิจารณาถ้าหากว่าทรงจาได้ก็เป็นพหูสูตรพหูสูตรนี่เป็นรั์อย่างหนึ่งนะครับเป็นอริยรับนะรั์คือสุตตะนะครับ ถ้าหาว่าผู้ที่ทรงจําสุตะสังสมสุตะได้มากเท่าไหร่เขาก็ร่ํารวยด้วยอริยทรัพย์เท่านั้นแหละครับสิ่งเหล่านี้จึงไม่ควรรังเกียจเขาบอกว่าถ้าแบบโลกโลกนะคนที่รังเกียจทรัพย์แสดงว่าไม่มีปัญญาหาทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นคนที่มั่งมีจริงจงอะ่ะเขาเหล่านั้นเขาจะรักษาทรัพย์เป็นอย่างดีตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับคนที่รังเกียจการทรงจําเป็นต้นก็รังเกียจโลกุตระทรัพย์นะั่นเองรังเกียจอริยทรัพย์นี้ก็น่าลถ้าส่วนตัวผมเนะี่ยผม อยากจะห่างที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเพราะว่าปกติก่อนหน้านี้มาผมก็ไม่ได้ทรงจำอะไรเมื่อไม่ทรงจำก็ไม่ได้ฉลาดอะไรขึ้นเลยนะครับในระหว่างนั้นมาแล้วก็กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ผ่านมาก็มันมีแต่ทุกข์มีแต่โทษ ทุกโทษเหล่านั้นก็ไม่ได้มีใครไปรับแทนเราเลยนะครับเราก็เป็นผู้รับเองนี่นะปวดหัวมีใครมาแบ่งเอาความปวดอันนั้นไปบ้างปวดตาปวดจมูกปวดลิ้นปวดฟันปวดตามเนื้อตามตัวนี่นะครับเป็นใข้เจ็บปวยมือแม้กระทั่งไปส่วนายทุกขติวิธิบนะัตนเราก็ไม่มีใครมามาทําแทนเรามารับภาระแทนเราเลยเราก็รับของเราเองนี่แหละเมื่อรับของเราเองเราก็ควรที่จะสังวรในการทํากรรมนั้นๆนะครับ นี่ในการทรงจําก็เหมือนกันถ้าทรงจําได้เท่าไร่มาพิจารณาเท่าไหร่ก็เป็นบุญของเราเท่านั้นแหละนะครับ <ๆ S 1> ก็เลยถ้าเป็นบุญบุญก็ไม่มีโทษอยู่แล้วชําระชะล้างสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลจากกิจจากใจไปอนะันั้นถ้าหากว่าจับจกักขูพร้อมทั้งปัจจัยของจักขู่เนี่ยนะถ้าหาว่ารู้จักตาดีก็จะรู้จักมหาภูตรูปแล้วก็จะรู้รูปอื่นๆที่อาศัยจักขู่ด้วยถ้าเอาหูเป็นหลักนะครับก็จะรู้รูป ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหูทั้งหมดนะครับแล้วก็แม้กระทั่งวิถีจิตทั้งหลายที่เป็นไปทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ทวารใจก็จะทราบแล้วก็จะรู้จักปัจจัยของสภาวะธรรมนั้นๆเช่นตานี่นะมีอวิชามีกรรมมีตัณหามีอุปาทานแล้วก็ในปัจจุบันก็มีอาหารเป็นเป็นปัจจัยนี่นะครับแม้ในอดีตสิ่งเหล่านี้ก็เกิดจากปัจจัยเหล่านี้ แม้ในอนาคตที่ที่รูปธรรมนามธรรมเหล่านี้จะเกิดก็เกิดเพราะปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เรียกว่ายาตะปริญญารู้ในสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับกําหนดพิจารณารอบรู้ในสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ได้ไปทําขึ้นอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่ามาเรียนรู้เท่านั้นเองแต่ในขั้นไข้ครวนเนี่ยนะครับเริ่มทําขึ้นแล้วนะครับที่เรียกว่าภาวนาอย่างเต็มที่แล้วตีระปริญญาเป็นฉนภิกษุพิจารณาปัจจัยทั้งหมดนั้น ทำให้รู้โดยอาการ42นะครับคือโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังโรคซ้อนเป็นความลำบากเป็นไข้เป็นความอาพาธเป็นจังไรเป็นมารเป็นเยื่อเป็นเป็นมารด้วยนะครับเป็นของจังไรด้วยนะมีนะเป็นโรคเป็นฝีเป็นดังโูคซ้อนอีติโตนะครับอีติโตนี่แปลว่าจังไรนะครับเป็นอุปัทวะโตนี่นะครับอุบาทด้วยพยันะครับแล้วก็โรคาโตคันดะโดสารโตพวกนี้นะครับ ก็มาชาติธรรมโตพิชาติเป็นธรรมดาชราเป็นธรรมดาพยาธิเป็นธรรมดามารณะเป็นธรรมดาโศกปริเทวทุกโทรมรณะและอุปายาตนะการที่พิจารณารูปนามที่กล่าวไปในการทั้งสามโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นอย่างที่ว่าไปนี้เรียกว่าตรีรณปริญญาพิจารณาในการสามด้วยนะครับทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตและปัจจุบันนะอดีตอนาคตปัจจุบันไม่ใช่เฉพาะภายในตัวเท่านั้นทั้งนอกตัวด้วยนะครับ ทั้งพิจารณาภายนอกด้วยทั้งภายในและภายนอกพิจารณาทั้งหมดเลยนะครับโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฟีเป็นดังลูกซ้อนเป็นความลําบากเป็นต้นเนี่ยนะต้องมันพิจารณาเลยนะครับถ้าไม่พิจารณาแบบนี้เรียกว่าไม่มีโยนิโสนะการพิจารณาระดับนี้แล้วจึงเรียกโยนิโสถ้าทั่วๆไปในอัตถกถาหรือในพระไตรปิฎกเนี่ยนะพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงไปแล้วที่พบมากๆเรียกว่ามีโยนิโสมนสิการนะครับ ถ้าหากว่าไม่บำเพ็ญสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าคนเกียจคร้านนะครับหีนวิริโยนะครับเป็นคนเกียจคร้านเลยนะครับพระองค์ตำเหน่มากนะครับแต่ว่าในชั้นต้นเนี่ยยาตะปริญญาต้องดีอยู่แล้วนะสิ่งที่ควรรู้เนี่ยควรรู้รู้กันอยู่แล้วอันนี้ต้องรู้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะแต่ว่าตีระปริญญาเนี่ต้องหมั่นไค้ครวญจริงจริงจึงจะรู้จึงจะเห็น แล้วก็ต่อไปปหานะปริญญาเป็นฉนัยพิสุครั้นพิจารณาอย่างนี้แล้วละฉันทราคะในอาการทั้งหมดด้วยมักอันเลิศชื่อว่าปหานะปริญญานะครับจนละวิปปาลาดบรรลุมักผลได้นี่แหละครับทีนี้สงครอบปริญญาลงวิสุทธินะครับว่าที่ทีวิสุทธิเนี่ยนะครับกับกลางขาวิตรณวิสุทธิก็ชื่อว่ายาตะปริญญานะครับ ยาตปริญญานั้นอมสองวิสุทธินะครับคือทิฏฐิวิสุทธิที่เห็นนามรูปตามเป็นจริงเนี่ยนะครับนามรูปะยาวัฒนะเนี่ยนะครับ <t> ที <t> ่ที ITT ่เห็นนามรูปตามความเป็นจริงนะครับทีนี้ถ้าหากว่าใช้คำว่าทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยนะครับต้องไม่ลืมว่าทิฏฐิที่เป็นอ่ทิฐิวิสุทธิเนี่ยนะครับเท่ากับรถผลัดที่3รถผลัดที่2ของก็คือจิตตาวิสุทธิรถผลัดที่1ก็คือ สี่แล้ววิสุทธินี่นะครับถ้าหาว่าพูดนับ3มแล้ว2 1เท่ากับนับมาแล้วจึงเรียกนับ3ใช่ครับนะย้ำอีกครั้งก็คือว่าถ้านับ3 1มหกับ2แสดงว่านับผ่านมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าพูดที่ทวิสุท ธ, ธิคือที่ทวิสุท ธ, ธิที่3ก็เท่ากับวิสุท ธ, ธิที่ 1- ที่2ก็แสดงไปแล้วหรือว่าคนนั้นต้องเจริญแบบนั้นได้แล้วนะครับผ่านมาแล้ว แล้วก็กางขาวิตรณวิสุทธิก็คือปัจยปริคหายานั่นเองเพราะฉะนั้นเรียก ว, ว่าปริญญาส่วนมัคคามัคคาณทัศนาวิสุทธิเนี่ยนะครับรู้ว่าเป็นทางและก็ไม่ใช่ทางหรือปฏิปทายานทัศนาวิสุทธินี่นะครับความหมดจดแห่งญาณเครื่องรู้ทางปฏิบัติเนี่ยนะหรือปัญญามีการพิจารณาหมวดทำเป็นธรรมะเป็นหมวดเป็นกองเนี่ยนะกราปะพิจารณาเป็นหมวดเป็นกองเนี่ยหมวดยังไงครับกองยังไงคือหมวด ที่เป็นอดีตหมวดที่เป็นอนาคตหมวดที่เป็นปัจจุบันหมวดที่เป็นภายในหมวดที่เป็นภายนอกหมวดที่หยาบหมวดที่ละเอียดหมวดที่เล็วหมวดที่ประณีตหมวดที่ไกลหมวดที่ไกลแล้วก็พิจารณาเหล่านั้นว่าไม่เที่ยงเพราะอาถรว่าขยัตเถนะสิ้นไปเป็นทุกข์นะพยัตเถนะเพราะอาถรวาน้ากลัวเป็นอนัตตาเพราะอาสารกัดเถนะเพราะเป็นอนัตตาที่สวดมนต์เมื่อกี้เนี่ยนะครับก็เป็นอย่างนี้แหละ เขาเอาไวพ้พิจารณาพวกนี้แหละครับนะนะเป็นระดับตีระปริญญานะครับทีนี้ถ้าหากว่าพอกพูนพัฒนามากๆก็เป็นโลกิยะปะหานะปริญญาทีนี้ก่อนที่โลกุตระประหานะจะเกิดขึ้นได้เนี่ยที่ที่เหมือนกับพิจารณาเมื่อกี้ว่านามรูปเป็นทุกเนี่ยนะนิพพานเป็นสุขนะครับก็ต้องแยกสองส่วนนี่มันมากๆนะครับจึงจะ แทงตลอดโล ก, กุตระธรรมได้เนั้นบทสวดที่ว่าไปนี่นะครับโดยมากก็วิปัสนาชั้นสูงนะครับที่เขามาเรียบเรียงนะครับแสดงว่าผู้ที่เรียบเรียงบทสวดนี้มีความสามารถเข้าใจในพระธรรมคําสอนในชั้นสูงอย่างมากเลยนะครับอันนะัแล้วก็การละด้วยมักอันเลิศชื่อว่าปฐานะปริญญาภิกสุไดกําหนดรู้ธรรมะทั้งหมดธรรมะทั้งหมดคือธรรมะที่เป็นไปในภูมิ3ามเนี่ยนะครับพิคสุนั้นชื่อว่ากําหนดรู้ด้วยปริญญา3เหล่านี้ แต่ในที่นี้พึงทราบว่ากำหนดรู้ด้วยอำนาจยาตะปริญญาและตีระนปริญญาส่วนปะหานาปริญญาเนี่ยท่านกล่าวไว้ด้วยศัพท์ว่าวิราคะนะครับนั่นนะคือยังจิตให้คลายกำหนัดนั่นเองนะครับตรงนั้นนะนะยังจิตให้คลายกำหนัดความไม่กำหนดรู้ท่านกล่าวไม้เอาผู้ที่ไม่รู้อย่างนี้ด้วยประการชนิดคือไม่รู้ธรรมะที่เป็นไปในภูมิ3ด้วยยาตะปริญญาและ ตีรณปริญญาเนี่ยนะครับที่พระ อ, องค์ตรัสว่าไงครับ ต, ตรัสว่าผู้ไม่รู้ยิ่งธรงม ร, ธ ร, ม, รธมะที่ควรรู้ยิ่งไม่กําหนดรู้ธรรมะที่ควรกําหนดรู้คือคําว่าไม่กําหนดรู้ธรรมะที่ควรกําหนดรู้คือไม่ทำยาตะปริญญาและตีรณปริญญาเนี่ยนะครับแต่ก็อธิบายต่อไปว่าไม่ยังจิตให้คลายกําหนัดในธรรมะที่ควรรู้ยิ่งและที่ควรกําหนดรู้นั้นเนี่ยนะอันนี้มุ่งอธิบายปหาหนะปริญญาละว่า ในบทเหล่านั้นบทว่าจิตตังอะวิราชยังเนี่ยนะเอาฝ่ายดํามาพูดก่อนความว่าภิกษุน์ไม่ยังจิตตสันดานของตนให้คลายกําหนัดคือไม่คลายกําหนัดในธรรมะที่ควรรู้ยิ่งนั้นคือในธรรมะที่ควรกําหนดรู้อย่างวิเศษอธิบายว่าไม่ยังวิราคานุปัสสนาให้เกิดขึ้นนะครับวิราคานุปัสสนานี่นะครับอยู่ในระดับอนุปัสสนาเจ็ดนะครับแสดงว่าตั้งแต่ พังขยานเป็นต้นไปจึงจะเรียกว่าวิราคานุปัสสนานะครับถ้าใช้คําว่าวิราคานุปัสสนานะครับในอนุปัสสนา7นี้ประกอบไปด้วย1อนิจจานุปัสสนา2ทุกคานุปัสสนาสามอนัตตานุปัสสนา4นิพพานุปัสสนา5วิราคานุปัสสนา6นิโรธานุปัสสนา7ปฏินิสักานุปัสสนาวิปัสสนาที่5คือวิราคานุปัสสนานี่นะครับ ถ้าหากว่าอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนานาตานุปัสสนาบบรริูณนิพิธานุปัสสนาจริงจะบริบูรณ์เมื่ออนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนาตานุปัสสนานิพิธานุปัสสนาบริบูรณ์วิราฆานุปัสสนาจริงจะบริบูรณ์นะครับถ้าหากว่าอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนาตานุปัสสนานิพิธานุปัสสนาวิราฆานุปัสสนานิโรธานุปัสสนาจริงจะบริบูรณ์ เมื่อนิจานุปัสนาทุกขานุปัสนานัตตานุปัสนานิพิธานุปัสนาวิราขานุปัสนานิโรธานุปัสนาบริบูรณ์ปฏินิสักขานุปัสนาจริงจักบริบูรณ์อันตรงนี้เขาบอกว่ายังจิตให้คลายกำหนัดก็หมายถึงวิราขานุปัสนาแสดงว่าวิปัสนาสี่ประการนั้นบริบูรณ์อยู่แล้วคืออนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนานัตตานุปัสนาและนิพิธานุปัสนาบริบูรณ์อยู่แล้ว วิราคานุปัสนาจึงบริบูรณ์เนี่ยนะครับส่วนที่สูผู้ไม่ยังจิตให้เป็นไปกับวิราคานนปัสนาเนี่ยนะครับคือโดยที่ไม่มีราคะในธรรมะที่ควรรู้ยิ่งเนี่ยนะถ้าไม่เจริญแบบนี้เนี่ยนะครับและก็เป็นผู้ที่ไม่ควรสิ้นทุกข์อย่างนั้ น, นไม่คู่ควรกับการสิ้นทุกข์ไม่คู่ควรกับการพ้นจากวตะแปลว่าอะไรครับแปลว่าควรแช่อยู่อย่างนั้นนะครับ <c oughs> ก็หมกอยู่อย่างนั้นนะครับน จงมาดูโลกอันตการตาที่คนเขาหมกอยู่ผู้รู้หาข้องแม่ผู้รู้เข้าไม่ค้องเนื่องจากเขาเจริญเหล่านี้เป็นอย่างมากเขาเจริญไม่ข้องในโลกะนะแต่คนเขาก็จะหมกอยู่ในนั้นนะครับบนว่าอัปปะชะังได้แก่ไม่ละกิเลสวัดอันควรจะละในธรรมะที่ควรรู้ยิ่งนั้นด้วยมัคคปัญญาอันร่วมกับวิปัสสนาปัญญาโดยไม่มีส่วนเหลือนะไม่ละนะเพราะไม่ละนั่นแหละครับ จึงไม่ควรหลุดจากวาตาวางันฮะเพิ่งทราบแม้ธรรมะที่ควรรู้ยิ่งเป็นต้นด้วยมักอันเจือปนเหมือนข้อ น, นั้นหมายคําว่าแสดงทั้งโลกิยะและโลกุตระควบคู่กันไปเลยนะครับเป็นมิสกะกันคนนย้จถามครับคนคนป่วยที่เขาอาการหนักหนักหรือว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บบ่อยๆและเขาเบื่อหน่ายเหลือเกินเขาเ คลายว่าตายเสีทีเธอเบื่อเหลือเกินแล้วอัตภาพร่างกายนี้เนี่ยครับเป็นถือเป็นนิพิทาอะไรเนี่ยได้ไหมครับเนี่ยโทสะครับเป็นโทสะเนาะเป็นเบื่อเบื่อยากอยากอะไรทั้งนั้นนี้เบื่ออันนี้จะเอา oh, อันใหม่นะครับอ๋อเบื่อแบบนั้นคือแต่ถ้ามีความรู้ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับแต่ถ้ามีความรู้ก็ท <|ja|>> ี่จะเป็นนิพิทานุปัสสนาก็เป็นได้แต่ถ้าไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยก็ก pues ็สังเกียตอันนี้จะเอาอันใหม่ตอนนั้นเองนะครับ ยังคิดคิดว่าถ้ามีอันใหม่น่าจะไม่ทุกอย่างนี้อีกนะครับแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ได้นิพิทานุปัสสนานี่นะเนื่องจากศึกษาเรียนรู้และเพาะพลูกพานภาคเพียนปฏิบัติมามากแล้วก็อาจจะเบื่อจริงนะครับคือเอาความรู้เป็นประมาณนะครับเพราะว่านิพิทานุปัสสนาเป็นชื่อของสัมมาทิฏฐินะครับเป็นชื่อของวิปัสสนาก็น่าสงสารนะเพราะว่าส่วนใหญ่นจะเข้าใจว่ามันเป็นกุศลนนะะเบื่ออย่างนั้นโทสะซะส่วนใหญ่เพราะมีปฏิฆานิมิต เพราะว่าถ้าเบื่อแบบนิพพิธานุปัสสนานี่นะครับเบื่อระดับนั้นเนี่ยเบื่อแม้กระทั่งจิตอันนั้นด้วยเนี่ยนะเนี่ยนพิจารณาแม้กระทั่งจิตที่เบื่อโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยจึงไม่ยินดีแม้กระทั่งจิตที่เบื่อนายด้วยเลยนะครับถ้าระดับชั้นสูงไปแล้วนะไม่ยุติดแม้กระทั่งอนุปัสสนานั้นๆด้วยนะครับเนี่ยนะพอพิจารณาอนุปัสสนาเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกัน ย่งยกตัวอย่างปัญญาที่พิจารณารูปคือขันที่ว่าเนี่ยนะโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกแปนนาตาด้วยวิปัสนาที่หนึ่งเนี่ยนะวิปัสนาที่สองมาพิจารณานามที่พิจารณาวิปัสนาแรกเลยว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนาตาด้วยถ้าวิปัสนาชั้นสูงที่จะเบื่อในเนวัตตะจะเป็นลักษณะนั้นเขาเบื่อในเบื่ออีกครั้งหนึ่งว่างั้นเถอะนะนะเาเรียกว่าเบื่อในความเบื่อนั้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะแต่นี้โทสะซะส่วนใหญ่นะครับที่ฟังมาแล้ว ทีนี้เพิ่งทราบด้วยอำนาจจิตต่างๆกันในส่วนเบื้องต้นหมายความว่าวิปัสสนาในขณะโลกุตระนี้เป็นอันเดียวกันนะครับแต่ถ้าในขณะโลกิยะก็แตกต่างกันตามสมควรนะครับตามลำดับแห่งปริญญาเป็นต้นยานะอันหนึ่งเท่านั้นยังธรรมะที่ควรรู้ยิ่ง เป็นต้นให้ถึงโดยลำดับด้วยยาตะปริญญาตีรณปริญญาและปหานะปริญญาแล้วยังธรรมะทั้งหมดนั้นให้สําเร็จด้วยกิจ ด, ด้วยมรรคกิจในขณะเดียวกันนั่นเองนะครับคือถ้าหากว่าในขณะอริยมรรคก็แทงตลอดปริญญาทั้ง3ประการในขณะเดียวกันเลยนะครับคล้ายๆว่าประมวลได้เรียบร้อยแล้วก็ตรัสรู้เลยนะครับะนะนี้นี่เฉพาะส่วนที่ที่ใช้คําว่าปริญญา เพราะว่าอริยาศาสตร์สีนี้บางอย่างแทงตลอดด้วยปริญญาใช่ไหมครับอันนี้หมายถึงกําลังพูดถึงทุกขสตัตว์เนี่ยนะครับบรรลุด้วยปริญญาสมุทัยาศาสตร์บรรลุด้วยปะหานะนิโรสตรัตบรรลุด้วยสัจจิกิริยาทําให้แจ้งอริยามรรคนี่บรรลุด้วยภาวนานะครับบทว่าอาภาพโธทุกข ขยายะความว่าเป็นผู้ไม่ควรคือไม่สามารถเพื่อความสิ้นทุก์ในวัตตะทั้งสิ้นด้วยการดับกิเลสคือหมายคือว่าถ้าดับกิเลสไม่ได้ก็ดับวตะไม่ได้นะครับนั่นนะถ้าดับกิเลสไม่ได้ดับวัตะไม่ได้ถ้าดับกิเลสไม่ได้แสดงว่าไม่ได้ทําปหานาปริญญาที่ไม่ทําปารานาปริญญาเพราะไม่มี ตีระปริญญาที่ไม่มีตีระปริญญาเพราะไม่มียาตะปริญญาที่ไม่มียาตะปริญญาเพราะไม่มีจิตตวิสุทธิที่ไม่มีจิตตวิสุทธิเพราะไม่มีศีลวิสุทธิที่ไม่มีศีลวิสุทธิเป็นต้นเนื่องจากไม่คบสัตว์บุรุษไม่ฟังทำไม่เรียนรู้มาอย่างบริบูรณ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรเพื่อสิ้นสิ้นทุกในในวัตะเพราะไม่สามารถดับเชื้อแห่งวัตะได้นะครับ เพราะฉะนั้นไอ้ไกิเลสเนี่ยเหมือนเชื้อโรคนะครับเชื้อโรคบางอย่างเนี่ยนะครับถ้าหากว่าความร้อนไม่สูงจริงๆฆ่าไม่ตายอย่า ง, งั้นนะอ่า น, นะชั้นใดก็ดีกิเลสก็เหมือนกันนะครับโลภะอ่าโทสะโมหะเป็นต้นเนี่ยนะครับถ้าทิฐิก่อนนะเอาทิฐิก่อนทิฐิเนี่ยถ้าความร้อนไม่สูงระดับโสดาปฏิมักฆ่าไม่ได้เนี่ยนะกิเลสอย่างหยาบถ้าไม่สูงระดับสกะทาคามีมักฆ่าไม่ได้ไกิเลสอย่างละเอียดเนี่ยนะ ถ้าความร้อนไม่ระดับอนาคามีมรละไม่ได้กิเลสทั้งปวงที่เหลือถ้าไม่ระดับอรหัตมรละไม่ได้ น, นะครับใช้ความร้อนสูงมากอย่านั้นเถิด <c oughs> เหมือนกับล้อมเหล็กเป็นต้นเนี่ยนะ <c oughs> อ, าอาตาปีนะครับความเพียรต้องความเพียรในระดับความเพียรในมรนะครับจะสับในคําว่าสับพันจะโคเป็นต้นเนี่ยนะครับและจะกลับโคสับเนี่นะครั บ, บ, บ, รบทั้งสองสับนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงถึงเหตุส่วนเดียวแห่ง การสิ้นทุกข์อันเป็นพิเศษที่ควรได้จากการรู้ยิ่งเป็นต้นนะครับคือคนที่จะพ้นจากทุกเหล่านี้เนื่องจากรู้ยิ่งในธรรมะที่เป็นไปในภูมิ3ามทำปริญญานะครับยาตะปริญญาตีรณปริญญาในธรรมะที่เป็นไปในภูมิภูมิสแล้วก็ยังจิตให้คลายกําหนัดด้วยวิราคาโนปัสนาในธรรมะในภูมิสแล้วก็ละกิเลส ท, ที่เป็นไปในภูมิ3นะครับผู้นี้แหละจึงควรที่จะ สิ้นทุกเป็นต้นนะครับคำใดที่ควรกล่าวในบทว่าอภิชานะเป็นต้นคำนั้นท่านกล่าวไว้ชัดเจนแล้วนะแต่ในบทนั้นท่านกล่าวโดยการทักท้วงในบทนี้เพิ่งทราบโดยในโดยเป็นกฎนะนะตรงนี้ก็เข้าใจยากเหมือนกันนะครับนนะส่วนความต่างกันมีดังนี้คือต่างกัน ร, ระหว่างทาดำกับทาขาวนะว่า บอว่าอภิชานังคือความว่าเป็นผู้รู้ยิ่งซึ่งสักกายส พ, พะอันได้แก่อุ ป, ปาทานขันห้าโดยสรุปโดยสรุปคือหมายความว่ารู้จักขันห้าสภาวะทั้งหมดอะนะและโดยปัจจัยนะรู้ขันห้าแต่และอย่างโดยปัจจัยคําว่าถ้าใช้คําว่าโดยปัจจัยหมายความว่าชั้นต้นให้มองเป็นขันห้าก่อนแล้วพิจารณาขันห้าตามหลักปฏิจจสมุป บ, บาทนั่นแหละเรียวกว่าโดยปัจจัย สงเคราะห์ขัขนห้าโดยปฏิจจสมุปบาทหมุนปฏิจจสมุปบาทเป็นสังสารวัตรได้นั่นแหละครับเรียกว่ารู้โดยปัจจัยทีนี้เมื่อรู้โดยปัจจัยก็ทํายานให้ให้ถึงเฉพาะหน้าคือกําหนดรู้สักกายสัพเพโดยอักโดยอ า, าการที่ไม่มีเป็นต้นนะครับคือถืออ า, าการที่มีแล้วก็ไม่มีนะขันห้าเหล่านั้นเนี่ยนะที่ไม่มีแล้วมามีขึ้นที่มีขึ้นแล้วก็หมดไปที่มีขึ้นเพราะเหตุและ ปัจนี่นะครับซึ่งแต่ละอย่างก็ไม่มีความเที่ยงไม่มีความมั่นคงไม่มีความแน่นอนท้าวนอะไรเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นมีแล้วก็ไม่มีนี่แหละเรียกว่าขยัดเถนะนะครับเพราะอาถาวาสิ้นไปทีนี้อาการที่สิ้นไปถามว่าน่ากลัวหรือน่ารักครับก็น่ากลัวนั่นแหละ พยัตเถนะเนี่ยน่ากลัวถามว่าไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยมีสาระไหมมีนิจจะสาระสุขะสาระอัตตสาระสุภาพสาระไม้ไม่มีนะั่นแหละเรียกว่าอส า, าระกัดเถนะก็พิจารณาแบบนี้มากๆวิราชยังความว่ากระทําจิตของตนให้ใคลายกําหนัดด้วยรู้ชัดถึงความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นแห่งสักกยะสภาพนั้นโดยชอบและก้าวด้วยอนุภาพของยานมีนิพิถายาน คือเบื่อหน่ายต่อภัยที่เกิดขึ้นเป็นต้นไม่ให้ความกำหนัดแม้เพียงเล็กน้อยเกิดขึ้นในจิตนั้นคือไม่ให้จิตเนี่ยกำหนัดในส ก, กายะธรรมหรือว่าธรรมที่เป็นไปในภูมิสามแม้สักอย่างเลยเนี่ยนะครับบทว่าปชหังได้แก่ละคือตัดขาดกิเลสวัดอันเป็นฝ่ายของสมุทัยสัตว์ด้วยมรคปัญญาอันประกอบด้วยวุฒิฐานะขามินีวิปัสนาวิปัสนาที่ประพฤติเพื่อออกจากวัฏะใช่ไหมครับ คือวุฒานาคามินีวิปัสนาวิปัสนาชั้นสูงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะประเภทอนุโลมยานโคตภูยาน เ, นเรียกว่าวุฒานาคามินีวิปัสนาเนี่ยนะครับประพฤติเพื่อออกเนี่ยนะอริยมรรคก็จะสืบเนื่องจากวิปัสนาทั้งหลายเหล่านั้นบทว่าพระโพทุกขาขยายะได้แก่เป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นวิปากวัตเนี่ยนะครับสมควรสมควรไม่ต้องปฏิสนธิอีกแล้วนะเนื่องจากทํากิจแบบนี้อีกแล้วเนี่ยนะ พอทํากิจอย่างนี้แล้วก็วิปากวัฏก็ดับโดยไม่มีส่วนเหลืออย่างพระพุทธเจ้านะไม่ต้องไปถามหาว่าพระ อ, องค์เนี่ยมีวิปากวัฏคือชาติชรามรณาที่ไหนไม่ต้องไปเที่ยวถามหาเลยเพราะพระ อ, องค์สิ้นทุกแล้วหรืออนุปาทิเสสนิพานธาตุอันเป็นความสิ้นทุกข์ก็บอกว่าถ้าสิ้นกิเลสเนี่ยนะครับเรียกว่าสุปาทิเสสนิพานธาตุถ้าสิ้นวิบากก็เป็นอนุปาทิเสสนิพานธาตุนะครับ นี่เป็นความสิ้นทุกในสังสารวัตทั้งสิ้นเพราะละมนทินคือกิเลสเสียได้เนี่ยนะครับถ้าละกิเลสแล้วนะแล้วก็สิ้นกรรมเพราะว่าจะละกรรมนี่ต้องละที่กิเลสนะครับกรรมที่มันให้ผลเนื่องจากกิเลสเนี่ยเป็นตัวเชื่อมเอาไว้นะครับมพราะนั้นเพิ่งเห็นความในข้อนี้อย่างนี้ว่าเป็นผู้เคนเป็นผู้ควรเพื่อบรรลุธรรมะนั้นโดยส่วนเดียวนะครับ คือถ้าทำถ้ารู้ยิ่งนะครับถ้ารู้ยิ่งกำหนดรู้ยังจิตให้ใคลายกำนัดแล้วก็ละแล้วก็ละเนี่ยนะก็ควร ควรเป็นผู้สิ้นทุกจริงๆซึ่งกิจอันนี้นะครับถ้าเราเจริญพุทธคุณก็เอาสูตรนี้ไปเจริญพุทธคุณก็ได้ว่าพระองค์ทํากิจเหล่านี้อย่างบริบูรณ์เรียบร้อยแล้วพระหัต์ทั้งหลายท่านก็ทํากิจทั้งหลายเหล่านี้แล้วเราก็เจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆ ค, คุณก็ได้ถ้าหากว่ายินดีในปฏิปทาคือข้อปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกเหล่านี้ก็ต้องปฏิบัติตามแนวนี้นะครับ นนะจากพระสูสูเดียวนั้นทำให้มองเห็นคุณของพระรัตนตรัยทั้งสิ้นเลยว่าพระองค์นี้ตรัสรู้และปฏิบัติตามนี้ด้วย คำสอนเหล่านี้เป็นไปเพื่อพ้นจากทุกข์ด้วยหมู่พระอริยสงฆ์ทั้งหลายท่านก็ปฏิบัติตามนี้ด้วยอันน้เราก็เอาสิ่งเหล่านี้เป็นสาระ น, ะนะครับส่วนจะปฏิบัติได้มากได้น้อยก็ตามอำนาจแห่งสัตทินรียวิริยินทรีย์สติินรียสมาธินรีและปัญญินทรียแต่อย่าลืมว่าอินทรีย์เหล่านั้นนนั้ก็มีอาหารนะครับถ้าหากว่าไม่หาอาหารให้สัตทินรียเป็นต้นก็พร้อมเหมือนร่างกายเรานี่แหละครับนี้ต่อไปว่า บทว่าโยสับ พ, พังสับพโตยะตะวาความว่าผู้ใดคือผู้ประกอบด้วยความเพียรนะเพียร น, นะครับไม่ใช่ปล่อยตามเวรตามกรรมนะครับต้องเพียร้วยสัมมาประธานนะครผู้เจริญวิปัสสนารู้ธรรมะอันเป็นไปในภูมิสามทั้งปวงโดยส่วนทั้งปวงคือโดยจําแนกขันมีกุศลขันเป็นต้นนะขันก็ยังมาแยกต้องแบ่งรู้จักจําแนกอีกนะครับจําแนกเป็นขันที่เป็นขันบางอย่างเป็นกุศลขันบางอย่างเป็น อกุศลขันบางอย่างเป็นอัพยากตะขันบางอย่างเป็นวิบากขันบางอย่างทําวิบากขันบางอย่างไม่ใช่ทั้งวิบากไม่ใช่ทำวิบากขันบางอย่างประกอบด้วยสุขขันบางอย่างประกอบด้วยทุกขขันบางอย่างประกอบด้วยอุเบกขาเนี่ยแหละครับตามหลักมาติกาก็ต้องเอาขันเนี่ยสงฆ์ลงติกรมาติกาและทุกกรมาติกานะครับเนี่ยนะหรือว่ามาจําแนกขันเหล่านั้นว่าเออทุกนะปีแล้วะมีการบีบขันเป็นต้นเนี่ยนะครับ บีบคั้นเป็นสังคตานะเป็นของที่มีวิปริณามะเป็นต้นเนี่ยนะครับที่เรียกว่าแทงตลอดอริยศัตรน์นะนะในหน้าที่อาจารย์เอามาถามมันก่อนเนี่ยปีละนะก็คือมาจากสับตรงนั้นนะครับก็คือหมายถึงขณะที่แทงตลอดนั่นเองอีกอย่างหนึ่งบทว่าสัพโตได้แก่รู้โดยอาการทั้งปวงคือโดยลักษณะมีหยาบละเอียดเป็นต้นนะครับ และโดยลักษณะมีความไม่เที่ยงเป็นต้นคือขันบางอย่างก็ละเอียดขันบางอย่างก็หยาบยกตัวอยางนะขันสัตว์นรกก็หยาบ ก, ก, ก, กว่าขันของเดราชานขันของเปรตก็น่าจะดีกว่าของเดราชาณ น, นะครับคือเปรตที่ที่มีบุญบุญเน่ยนะ <üng. S 1> เช่นเวเวมานิกเปรตก็ละเอียดกว่าเดราชานมนุษย์ก็บางอย่างก็ดีกว่าเปรตเทวดาก็ละเอียดกว่ามนุษย์เป็นต้นเนี่ยนะครับทีนี้เทวดาชั้นสูงๆก็ละเอียดไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็รู้อยาบละเอียดแบบนี้แล้วก็รู้โดยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยนะครับขันที่อยู่ในสัตว์นรกก็ไม่เที่ยงแต่ไม่เที่ยงบางอย่างนี้ถ้าห้าหมื่นปีมันก็ไม่หวเหมือนกันนะครับไม่เที่ยงบางอย่างก็แปดหมื่นปีอย่างเงี้ยงงใช่ไหมไม่เที่ยงบางอย่างก็หลายแสนปีอย่างเงี้ยนะครับคือนึกถึงพระเตมีใบใช่ไหมท่านเคยเป็นพระราชายี่สิปีตกนรกแปดห0ื่นปีมันชีวิตในอยู่ในรกก็ไม่เที่ยงนะครับแค่แปดหมื่นปีเอง อันนี้ไม่เที่ยงบางอย่างเนี่ยนะครับมันทร ม, มานเหมือนกันนะก็คือให้ขันที่เป็นไปในพ่ภูมิต่างๆไม่เที่ยงก็คือมันสิ้นไปเนี่ยนะครับถึงจะยาวขนาดไหนก็ไม่เที่ยงก็สิ้นไปอยู่ดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้ารู้ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นนี่แหละครับเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเป็นต้นหรือแทงตลอดนะเพราะเหตุแทงตลอดด้วยมัรคยาน อันมีวิปัสนาเนี่ยนะครับเป็นส่วนเบื้องต้นนะครับแล้วก็รู้ด้วยวิปัสนาญาณทั้งหลายใช่ไหมครับอริยมรรคนี้มีวิปัสนาใช่ไหมครับเป็นเบื้องต้นนะครับถ้าหากว่าไม่เจริญวิปัสนากร อ, อริยมรรคก็เกิดไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่บางทีอริยมรรคก็เรียกว่าวิปัสนาเหมือนกันนะครับวิปัสนาที่เป็นโลกิยะก็มีวิปัสนาที่เป็นโลกุตระข้อมีเหมือนกัน บทว่าสัพเพเหสุนารัชติได้แก่ย่อมไม่กำหนัดในสกายธรรมทั้งปวงอันมีประเภทต่างกันไม่น้อยโดยมีในอดีตเป็นต้นนะครับคือไม่ไม่กำหนัดเนี่ยนะที่เรียกว่าไม่กำหนัดในสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาไม่มาถึงนะครับเพราะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่เพลดิดเพลินในขันที่หมดไปแล้วนะ แล้วก็ไม่ตามมุ่งหวังในขันที่ยังไม่มาถึงด้วยเพราะท่านเบื่อหน่ายขันคือเห็นขันทั้งหมดนะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นต้นเนี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นไม่รู้จะ ก, กำหนัดไปทำอะไรนะในกำหนัดในสิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วท่านก็ยังยังถึงว่าไอ้ความกำหนัดอ น, นั้นเหมือนล้มฐานเพลิง ถามว่าทําไมจึงเหมือนอย่างนั้นเพราะว่าไอความกําหนัดอันนั้นเลหละครับเป็นเหตุแห่งปฏิสนธิในภพไม่มีที่สิ้นสุดต่อไปอนนันจึงเห็นโทษของความกําหนัดอันนั้นเป็นอย่างยิ่งก็คะักยธรรมนี่หมายความว่าไงนะครับก็ทำมาอันเป็นไปในภูมิสามนะครับนะครับทำมามีกหมา ย, มา ย, มายถึงขันใช่ไหมหมายถึงอุปาทานขันห้าอีกชื่อหนึ่งของอุปาทานขันห้านะครับเรียกว่าสักยธรรมคือ สกายะนี้แปลว่าของตนใช่ไหมครับสกายะก็คือโดยมากก็แปลว่าของตนนะนะแต่ทีนี้อะไรครับที่เป็นของตนก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่สกายะทิฐินะครับถ้าสกายะทิฐินี้ได้แกท่ทิฐิเจตสิกถ้าสกายะธรรมนี้เป็นชื่อของอุปาทานขันห้านะครับคนละสภาวะกันคือสกายะนี่กว้างนะครับแต่ว่าในอัตถคถาหลายแห่งแปลไม่ถูก คือเห็นที่ไหนว่าสกายะตรงนั้นแปลไปเลยว่าสกายะทิฐินะครับนี่นะแปลแปลสกายะศัพบเฉยๆไปเป็นสกายะทิฐิตรงนั้นก็มีปัญหานะครับสกายะทิฐิองธรรมคือทิฐิเจตสิกรรทิฐิเจตสิกก็เกิดก็อาศัยฐานห้านี่นแหละเกิดอ๋อละสกายะธรรมตรงนี้หมายถึงอะไรนะหมายถึงอุปาท า, า, ทานฐันห้า เออก็รู้เหมือนจะหน้านเดียวกันนะครับก็อุปาทานเหมือนกันนะครับอุปาทานคือทิฏฐิที่โลภาทิบวกอุปาทานขันห้านะครับองคธรรมได้แก่ลูกิยาจิตแปดสิบเอดเจตสิกห้าสบสองรูปยี่แปดถ้าสกายะทิฏฐิอง์ธรรมได้แก่ทิฏฐิเจตสิกอันเดียวอเขาเพี้ยนแตกต่างกันมากนะครับอันนี้ต้องไปรู้องคธรรมอีกทีเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่ยินดีนะครับแล้วก็ไม่ให้ราคะเกิดด้วยอํานาจ บรรลุอริยมรรคนะครับคือวันคนที่จะบรรลุเนี่ยสังเกตดูนะครับพิจารณานเนี่ยนะครับประเภทต่างไม่น้อยมีอดีตเป็นต้นไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยจะบรรลุเอานะครับผมเนี่ยยังอายอาจารย์องค์หนึ่งเลยท่านถามบอาโอ้ทำไมรู้อะไรแล้วจะเอาบรรลุแล้วเอากิเลสไปทิ้งไว้น้อยทา่านวางกันนะมันยังเขินเขินมาทุกวันนี่แหละพระผู้มีพระภาคจเจ้า เมื่อจะทรงแสดงความไม่มีแห่งการยึดตันหานั้นด้วยบทว่าสับพัเทสุนรัชตินี้จึงแสดงถึงความไม่มีแม้ด้วยการยึดผิดสามหมวดนี้คือนี้ของเรานี้เป็นเรานี้เป็นอัตตาของเราของผู้ที่ยึดทิฐิมานะเพราะมีสิ่งนั้นเป็นนิมิตนะครับคือจะไม่มีความกำหนัดเข้าไปสำคัญหมายสำคัญผิดด้วยตันหามานะทิฐิว่า นี้ของเราด้วยอำนาจตันหานะครับตันหาร0 8จะไม่เพลิดเพลินในขัน5เลยและจะบวมนี้เป็นเราด้วยอำนาจมานะ9ก็ไม่มีแล้วก็นี้เป็นอัตราของเราด้วยที่ถิหกหรือส ก, กายยะทิฐิก็ไม่ไม่เกิดนะครับ บทว่าสะในบทว่าสเวนีเป็นนิบาศนะครับนี่ก็เกี่ยวกับสับแสงบทว่าสับพังปริญญาได้แก่เพราะกําหนดรู้ธรรมะทั้งปวงคือเพราะกําหนดรู้ธรรมะทั้งปวงตามที่กล่าวแล้วโดยบรรลุปริญญานะปฏิบัติตามหลักปริญญาสมนั่นเองนะครับหรือตามหลักวิสุทธิเจประการนะครับบทว่าโสก็ได้แก่พโยคาวจรหรือพระอริยะบทว่าสับพังทุกขังปมุจจค่ะได้แก่ล่วง คือก้าวล่วงคือพ้นทุกข์ในวัฏะได้ทั้งหมดนะครับถ้าปฏิบัติตามนี้นะจากสูตรนี้ก็ทําให้เห็นข้อปฏิบัตินะครับพยายามทรงจําแล้วก็พยายามอ่านอัตถกฐาหลายๆครั้งนะครับก็น่าจะพอเห็นข้อปฏิบัติแล้วนะครับว่าพริยจ้าทั้งหลายท่านปฏิบัติอย่างไรนะ